วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบสีมิถุนายนพุทธศักราชสอง6เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายธรรมได้ตั้งใจกันมาฟังเทศน์ฟังธรรมกัน เพื่อนำเอาธรรมะความรู้ไปใช้เพื่อให้เกิดความสุขและดับความทุกข์ของใจให้หมดไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปในที่สุดเพราะธรรมะคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดับทุกนั่นเองหน้าที่ของธรรมะของพระพุทธเจ้านี้มีไว้เพื่อดับความทุกข์ทางใจสร้างความสุขทางใจไม่มีหน้าที่ที่จะมาสร้างความสุขทางโลกกระทำคือราบยศสรรเสริญ และความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความจริงแล้วโลกธรรมคือราบยศสรรเสริญสุขนี้มันเป็นกองทุกข์จึงไม่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพาาระอรหันตสาวกทั้งหลายส่งสอนให้ชาวพุทธเรา มีความเจริญในรากยศ ส, สรรเสนสุกันเพราะเท่ากับการเป็นการสาบแช่งให้สาธุชนไปเจอกับความทุกข์กันนั่นเองดังนั้นท่านที่มาทำบุญควรจะทำความเข้าใจว่า ธรรมะคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้สอนให้เราเจริญในลาบยศสารเสริญสุขกันเพาการเจริญในลาบยศสารเสริญสุขนั้นเป็นการเจริญความทุกข์โดยมีความสุขเ ล, เล็กน้อยมาเป็นเหยื่อล่อให้กับผู้ที่ไม่ฉลาด หลงไปพุบเหยื่อนั้นพอพุบเหยื่อแล้วก็จะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากและถูกลากขึ้นออกไปจากน้ำ <c oughs> จากน้ำก็ลงไปสู่หม้อแกงต่อไปดังนั้นผู้ที่ทาบุญทาทานรักษาศีลภาวนาควรจะ รู้ว่าเราไม่ได้ทำเพื่อลาบยศสารเสริญสุขเราทำเพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปนี่คือธรรมะคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราดับความทุกข์แม้การจะดับความทุกข์ด้านนี้ เราต้องมีปัญญามีความรู้ที่จะมาแก้ความหลงเพราะว่าความทุกข์ของเรานี้ก็จากความหลงก็จากความไม่รู้ความจริงเมื่อไม่รู้ความจริงก็เลยไปหลงผิด แล้วก็ไปทำให้สิ่งที่หลงผิดนั้นมาสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแต่ถ้ารู้ความจริงแล้วไม่หลงผิดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจทุกข์ได้นี่คือปัญญาคือความรู้ ที่จะมากำจัดความทุกข์ของใจปัญญาในที่นี้ที่พู้เจ้าทรงสอนให้ผู้ปฏิบัติได้ศึกษาได้เรียนรู้เพื่อจะได้มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นเป็นเห็นความจริงของ ของสิ่งที่ใจไปหลงเห็นผิดไม่ตรงกับความจริงความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาศึกษามาเรียนรู้กันก็คือความจริงของชีวิตของพวกเราเนี่พวกเรายัางไม่รู้จักชีวิตของพวกเราอย่างแท้จริง ความรู้ที่เรารู้เกี่ยวกับชีวิตของพวกเรานี้เป็นความรู้ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเมื่อมันไม่ตรงกับความเป็นจริงมันก็เลยทำให้เกิดความหลงที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจแต่ถ้าเรียนรู้ความจริงแล้วก็จะไม่มีความหลงมาหลอกมา ให้ใจมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเองความทุกข์ก็จะไม่มีความทุกข์นะการไม่มีความทุกข์นี้อยู่ที่การรู้ความจริงหรือการไม่รู้ความจริงนั่นเองถ้ารู้ความจริงแล้วก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่รู้ความจริงก็จะทุกข์เพรนเราต้องมาศึกษาความจริงของชีวิต ของพวกเราว่าชีวิตของพวกเรานี้เป็นอะไรกันแนะ่เป็นร่างกายที่เราเห็นอยู่นี้หรือ mm hmm. หรือว่าเป็นอะไรที่มากไปกว่านี้ที่เรามองไม่เห็นกัน mm hmm. สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายมองเห็นนั้น mm hmm. ก็คือเห็นชีวิตของพวกเรานี้ ไม่ได้ประกอบขึ้นด้วยร่างกายเพียงอย่างเดียวนอกจากร่างกายแล้วชีวิตของเรายังมีอีกส่วนหนึ่งที่เรียกว่าจิตใจจิตใจเป็นส่วนที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายเราจึงเห็นชีวิตของเราเพียงครึ่งเดียวคือเห็นร่างกายของเรา แต่เราไม่เห็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนส่วนอีกส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็คือจิตใจจิตใจกับร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับสามีภรรยาเนี่แหละที่มาอยู่ร่วมกันเพื่อมาร่วมทํากิจกรรมอะไรต่างๆร่วมกัน เพื่อที่จะให้เกิดความสุขขึ้นมาจิตใจนี้เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นเป็นหัวหน้าส่วนร่างกายนี้เป็นเหมือนอลูกน้องหรือผู้รับใช้ที่มีคำพูดว่าใจเป็นนาย กลายเป็นบ่าวนี่แหละคือส่วนประกอบของชีวิตของพวกเรามีอยู่สองส่วนด้วยกันใหญ่ๆเรียกว่ากายกับใจกายเป็นส่วนที่เรามองเห็นกันแต่ใจนี้เป็นส่วนที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มี เพราะว่าใจนี่แหละเป็นผู้บงการเป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆใจมีความรู้มีความคิดใจมีความสามารถที่จะคิดที่จะสั่งให้ร่างกายไปทำอะไรต่างๆได้ การที่ร่างกายของเรามานั่งอยู่ที่ตรงนี้ได้ก็เพราะว่ามีใจเป็นผู้ออกคำสั่งออกคำสั่งว่าวันนี้เราจะไปวัดกันเราจะไปทําบุญทําทานไปฟังเทศฟังธรรมกันพอถึงเวลาใจก็เป็นผู้สั่งการเป็นเหมือนกับคนขับรถยนต์ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ พอคนขับขึ้นรถสตาร์ทรถรถก็เริ่มวิ่งได้วิ่งไปไหนมาไหนได้นี่คือความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับใจเป็นสิ่งที่ทำกิจกรรมร่วมกันทีนี้ทางศาสนานี้ท่านมีศัพท์เฉพาะ ของร่างกายกับจิตใจคือชีวิตของเรานี้ที่เราเรียกว่าร่างกายกับจิตใจนี่ท่านมีศัสร์ท่านเรียกร่างกายและจิตใจนี้ว่าขันห้าขันนี้เป็นคำภาษาบาลีแปลว่ากองหรือส่วนชีวิตของเรามีห้ากอง หรือมีห้าส่วนด้วยกันเรียกว่าขันห้าขันห้านี้ก็มีหนึ่งรูปประขันคือร่างกายนี้เรียกว่ารูปประขันสองเวทนาขันสามสังขารขั น, ขนสี่สัญญาขันห้าวิญญาณขัน นี่คือส่วนประกอบของชีวิตรูปประขันนี้ก็หมายถึงร่างกายที่เรามองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายที่นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้คือรูปประขันส่วนนส่วนขันอีกสี่ขันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นส่วนที่มองไม่เห็น เพราะว่าเป็นส่วนที่อยู่กับใจ<ม>เป็นส่วนของใจ<ม>ร่างกายนี้เป็นส่วนของรูปนี้เป็นส่วนของร่างกาย<ม>ส่วนเมทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นส่วนของใจอยู่อยู่กับใจมากับใจ<ม>แล้วก็มาเชื่อมต่อกับร่างกาย ส่วนที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายนี้คือวิญญาณนักไหวิญญาณนี้คือผู้ที่ไปรับรู้สิ่งที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกเิื้องายของร่างกายก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะรูปมาสัมผัสที่ตาเสียงมาสัมผัสที่หูกลิ่นมาสัมผัสที่จมูก รสมาสัมผัสที่ลิ้นและผพพะมาสัมผัสที่สะพางกายพอมีการสัมผัสระหว่างรูปเสียงกลิ่นรสผดพะกับตาหูจมูกนิ้วกายวิญญาณที่มาเชื่อมต่อกับร่างกายก็จะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสนี้เราแปลความหมายของวิญญาณขันนี้ว่า เป็นส่วนที่รับรู้เป็นผู้ที่รับรู้รูปเสียงกลธธิ่นรสผลดตภัณพะจากตาหูจมูกลิ้นกายนี้มาสู่ใจนั่งกายกับใจนี้มีการเชื่อมต่อกันด้วยวิญญาณขันธน์เรียบเหมือนกับโทรศัพท์ที่เราใช้กันทุกวันนี้โทรศัพท์มือถือที่เราใช้นี้ เวลาเราติดต่อกับมือถือเครื่องอื่นเราก็ต้องมีสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์เรียกว่าสัญญาณวิทยุที่จะสามารถส่งข้อมูลจากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งได้สัญญาณที่เชื่อมต่อวิโทรศัพท์มือถือสองเครื่องนี้ก็เหมือนกับสัญญาณที่เชื่อมต่อจิตใจ กับร่างกายสัญญาณที่เชื่อมต่อ น, นี้เราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณขันที่เป็นส่วนประกอบหรือเป็นส่วนหรือเป็นความสามารถของใจผู้รู้นี้ที่ทําให้ใจนี้สามารถมามาเชื่อมต่อกับร่างกายได้เพื่อที่จะได้ ใช้ร่างกายนี้ไปทำกิจที่ใจต้องการจะทำคือใจมีกิจอยู่ในใจก็คือความความอยากในการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดถพานี้ใจนี้เป็นเหมือนผู้ที่ติดยาเสพติด ผู้ที่ติดยาเสพติดนี่ก็ต้องคอยไปหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆเพราะเวลาที่ไม่ได้เสพยาเสพติดแล้วจะรู้สึกสไม่สบายอกไม่สบายใจจะทุกข์ทรมานใจถ้าขาดยาเสพติดไปนานๆ คนที่ติดยาเสพติด จ, จึงต้องไปคอยหายาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขจิตใจนี้ก็เหมือนกันจิตใจนี้เป็นเหมือนผู้ที่ติดยาเสพติดและสิ่งที่จิตใจเสพหรือติดนี้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี้นละการที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้ ใจก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องใจในช่วงหนึ่งในช่วงที่ไม่มีร่างกายใจก็จะต้องไปคอยหาร่างกายอันใหม่มามาเชื่อมต่อเวลาที่เกิดการสร้างร่างกายขึ้นมาในคันของของแม่ พ็เริ่มมีการก่อร่างสร้างตัวที่เราเรียกว่ามีการปฏิสนธิเกิดขึ้นใจที่ต้องการร่างกายถ้ามีมีสิทธิ์หรือมีโอกาสที่จะมาเชื่อมต่อได้ก็จะมาเชื่อมต่อกับร่างกายที่อยู่ในครนของแม่ทันทีแล้วก็จะรอให้ร่างกายนี้คลอดออกมาแล้วก็จเจริญเติบโต จนสามารถที่จะสั่งให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพพามาให้กับใจให้เสกได้ mm hmm. นี่คือหน้าที่ของของวิญญาณวิญญาณขันในที่มีอยู่ในใจในใจมีขันอยู่สี่เรียกว่านามขันส่วนร่างกายนี่เรียกว่ารูปประขันรูปประขันกับนามขัน รวมกันก็เป็นขันห้ารูปเป็นร่างกายส่วนเวทนาคือความรู้สึกสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแต่งและวิญญาณการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธธธธธธธนี่คือการทำงานของขันห้า โดยมีวิญญาณนี้เป็นตัวเริ่มทำงานก่อนวิญญาณนี้ในช่วงที่ร่างกายในช่วงที่ไม่มีร่างกายวิญญาณก็จะต้องไปคอยเข้าคิวพอถึงคิวของตนที่จะได้รับร่างกายอันใหม่ก็จะส่งกระแสของวิญญาณนี้ไปเกาะที่ตาหูจมูกม้อกาย แล้วพอร่างกายนี้คลอดออกมาร่างกายก็จะเริ่มลืมตารับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะเข้ามาพอรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายวิญญาณก็จะไปรับรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะวิญญาณนี้ก็มีแบ่งไว้เป็นห้าห้าวิญญาณด้วยกันคือวิญญาณทางตาวิญญาณทางหู วิญญาณทางจมูกทางลิ้นและทางกายพ mm hmm. อลูปเสียงกิ่นรสสัมผัมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกาย mm hmm. ก็เข้ามาทางวิญญาณทั้งห้านี้ mm hmm. พอมันเข้ามาแล้วมันก็ทำให้สัญญาที่มีอยู่ในใจนี้ mm hmm. เริ่มทางาน mm hmm. พอสัญญาได้ยินเสียง mm hmm. เช่นตอนนี้ได้ยินเสียง สัญญาคือความจำได้ไหมรู้ก็จะคนดูว่ารูปนี้เป็นเสียงนี้เป็นเสียงอะไรถ้าเคยได้รู้มาก่อนก็จะจำได้ว่าเอ๋อเป็นเสียงนกเป็นต้นแต่ถ้าไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรก็ก็ยังไม่รู้ก็ต้องเป็นก็ถือว่าเป็นเสียงที่ยังไม่รู้ต้องศึกษาดูเพิ่ ม, เ, ม, เ, มเติมต่อไป เมื่อได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรถโสตทพะแล้วสัญญาก็จะเป็นผู้มาแปลความหมายว่ารูปเสียงกลิ่นรสเหล่านี้เป็นเสียงชนิดใดใเป็นเสียงที่ดีเป็นรูปเสียงกลิ่นรสโสตพปธพะที่ดีหรือไม่ดีที่เป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นต้น เมื่อสัญญาบอกว่าเป็นรูปเสียงกินรสผดท่าที่ดีก็จะเกิดสุขเวทนาขึ้นมาเช่นเวลาเราได้ยินเสียงคนชมเรา <Yeah. S 2> สัญญาก็บอกว่านี่เป็นเสียงที่ดี <Yeah. S 2> เอาได้ยินเสียงที่ดีก็เกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมาเรียกว่าสุขเวทนา <Yeah. S 2> แล้วถ้าเกิดไปได้ยินเสียงที่ไม่ดี สัญญาก็จะบอกว่าอันนี้ไม่ดีก็จะทําให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวทนานี้ก็จะเกิดตามการสัมผัสของรูปเสียงกลิ่นรสผลพภาชนิดต่างๆพอสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลถพาชนิดนี้พอสัญญาบอกว่าดีหรือไม่ดีก็เกิดเวทนาสุขหรือไม่สุขขึ้นมาแล้วพอเปลี่ยนการสัมผัสเพราะเรา เราจะมีการสัมผัสรับรู้รูปเสียงกดลิ่นรสนี้หลายรูปแบบด้วยกันในเวลาอัานใกล้กันในขณะหนึ่งเราอาจจะได้สัมผัสกับรูปเสียงกดลิ่นรสผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่ง อ, อีกระยะหนึ่งอีกนาทีหนึ่งหรืออีกครึ่งนาทีอาจจะสัมผัสกับรูปเสียงกดลิ่นรสอีกรูปแบบหนึ่งก็ได้เราจึงมีเวทนาความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ตามการสัมผัสของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและเข้ามาทางวิญญาณทั้งห้าแล้วพอเกิดความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ขึ้นมาก็จะมีสังขารความคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรดีเพราะว่าหน้าที่ของเราคือหาความสุขกัน เราไม่ต้องการความทุกข์กันพอเราเกิดสุขเวทนาสังขารก็จะสั่งการว่าเราควรที่จะไปรักษาหรือเก็บสิ่งที่ให้ความสุขกับเรานี้ไว้นานๆในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาสังขารก็จะสั่งว่าเราต้องกาจัดมันเพราะว่าสิ่งที่ ที่เราสัมผัสรับรู้นี้ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสหรือผดภ้านี้มันกำลังสร้างความทุกข์ให้กับเรา<ม>เราไม่ต้องการความทุกข์ก็เวทนากันเราก็เลยต้องหาวิธีกำจัดมันมนี่คือการทำงานของขันห้า<ม>เป็นการทำงานโดยอัตโนมัติมมไม่มีใครมาควบคุมบังคับ<ม>ถ้าเราไม่ได้ศึกษาเราจะคิดว่ามีเรา มีเราเป็นผู้คอยสั่งให้สังขารความคิดของเราสั่งให้ร่างกายไปหาสุขเเวตนามาให้กับเราแต่ความจริงแล้วมันไม่มีตัวตนขันห้านี้มันไม่มีตัวตนมันเป็นปรากฏการทางธรรมชาติเหมือนกับเวลาลมพัดเวลาแดดออกเวลาฝนตกนี่ มันไม่มีใครมาสั่งให้แดดออกสั่งให้ฝนตกสั่งให้ลมพัดแต่มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้ลมพัดทำให้ฝนตกทำให้แดดออกแต่เหตุปัจจัยเหล่านั้นก็ไม่ใช่ตัวตนมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีผลกระทบต่อกันและกันทันใดร่างกายของเรา แล้วก็ความรู้สึกนักคิด <prue Strange aut ied> ที่เรามีอยู่นี้มันก็เป็นเรื่องของการทำงานของธรรมชาติเกิดจากการที <Huh? S 1> ่ตาหูจมูกลิ้นกายไปสัมผัสรับรู้กับลูกเสียงกลิ่นรสผดธพะชนิดต่างๆเมื่อมีการสัมผัสก็เกิดมีความจำได้หมายรู้เพื่อที่จะได้มารู้ว่าสิ่งที่สัมผัสนั้นเป็นอะไรดีไม่ดีอย่างไร พอได้ข้อมูลแล้วว่าดีก็เกิดสุขเวทนาพอได้ข้อมูลไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาพอเกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาก็เกิดสังขารความคิดที่จะทำอะไรกับเวทนาที่ได้มานี้ถ้าสุขเวทนาก็ให้รักษาไว้ให้มันมีไว้นาน า, นานถ้าทุกขเวทนาก็กาจัดมันเลือก อย่าให้มันมาทำให้เราต้องทุกข์กับมันเช่นเวลาเราได้ยินเสียงชมเราก็เราก็ยินดีเราก็อยู่เราก็ฟังได้เรื่อยๆพอเราได้ยินเสียงว่ากล่าวตาหนิตเตียนเราก็ไม่อยากจะฟังสังขารก็จะสั่งว่าไปอย่าอย่าฟังฟังแล้วทำให้ใจทุกข์กาไม่สบายก็สังขารก็จะสั่งว่าอย่า อย่าอย่าฟังไปไปที่อื่นดีกว่าหรืออุดหูไว้หรือโต้อตอบหาวิธีที่จะทำให้เขาหยุดให้เสียงนั้นหายไปให้ได้แา่เสียงต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสผธพภะชนิดต่างๆนี้มันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนกันมันเป็นเหมือนลมพัดฝนตกแดดออกที่ไม่มีใครไปสามารถควบคุมบังคับมันได้ ฝนเวลามันจะตกมันก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้แดดออกก็ห้ามมันไม่ได้ลมพัดก็ห้ามมันไม่ได้เวลาลมไม่พัดจะสั่งให้มันพัดก็สั่งมันไม่ได้เวลาแดดไม่ออกจะสั่งให้มันออกมันก็ไม่ออกเวลาฝนไม่ตกจะสั่งให้มันตกมันก็ไม่ตกคือให้เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวตน ร่างกายนี้มันก็ไม่มีตัวตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันก็ไม่มีตัวตนมันทำงานตามเหตุตามปัจจัยที่มาที่มากระทบกับมันพอกระทบกับมันมันก็เกิดปฏิกิริยาทําหน้าที่ของมันไปเท่านั้นเองนี่แหละคือชีวิตของพวกเราประกอบขึ้นมาด้วยห้าส่วนด้วยกัน คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นี่เรียกว เ, เวทนาสัญญาก็คือการจำได้ไหราลจจำรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัชชนิดต่างๆได้หรือจำไม่ได้ก็คือหน้าที่ของสัญญาสังขารก็คือความคิดปรุงแต่ง คำว่าสังขาร น, นี้ไม่ได้หมายถึงร่างกายบางทีเราใช้คำว่าสังขารแทนร่างกายเรื่องเราเรียกว่าสังขารร่างกายของเรานี้มันไม่เที่ยงเนาะแต่ในที่นี้เราสังขาร น, นี้เรียกว่าเป็นสังขารในเป็นนา ม, มาขันคือสังขารความคิดปรุงแต่งไม่ใช่สังขารร่างกายแต่สังขาร น, นี้เป็นสังขารความคิดปรุงแต่ง ในทางศาสนานี้ถ้าเราจะพูดถึงร่างกายเราจะไม่เรียกเราจะไม่ใช้คาว่าสังขารเราจะใช้คาว่ากายหรือรูปเช่ <Yeah. S 1> นรูปประขันเวลาพูดถึงรูปประขันนี้เราหมา ย, มายถึงร่างกายหรือเวลาที่เราจะใช้ร่างกายเป็นที่เจริญสติเช่นกายยักตาสตินีเราก็ใช้คาว่ากาย <Yeah. S 1> กายเป็นที่ตั้งของสติ ทางศาสนานี้เราคําว่าสังขารนี้มีความหมายอยู่ที่คําเดียวเท่านั้นก็คือเป็นความคิดปลูงแต่งเป็นส่วนเป็นส่วนทํางานของที่ออกมาจากใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เรียกว่านามขันธ์สีน่นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ในใจ ร่างกายนี้ไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณร่างกายนี้มีเพียงอาการสามสิบสองคือผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้าหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศรีรษะแล้วก็น้ำต่างๆน้ำดี น้ำเสลน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูดนี่คือส่วนที่อยู่ในร่างกายคืออาการ32แต่ความรู้สึกเช่นสุขทุกข์นี้ไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่ถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ศึกษานี้เวลาเกิดความสุขทุกข์ขึ้นมาเรามักจะคิดว่าอยู่ที่ร่างกาย เช่นเวลาร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อาการเจ็บนี้อยู่ที่ร่างกายแต่ความรู้สึกนี้มันไปโผล่ที่ใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันโผล่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปอาการต่างๆเวทนาความรู้สึกต่างๆจะไปรักษามันหรือไม่รักษามันก็มีผลเหมือนกัน คือมันจะเปลี่ยนมันจะเกิดแล้วมันก็จะดับไปเวทนาทางร่างกายเช่นเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไปโผล่ที่ใจพอมันไปโผล่ที่ใจมันก็ไปทําให้ใจต้องต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นทุกขเวทนาใจก็ไม่ต้องการทุกขเวทนาใจก็จะสั่งการ ให้ร่างกายทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นถ้าถ้ามันทุกข์เพราะความหิวข้าวหิวน้ำนสังขารก็จะสั่งให้ร่างกายไปหาข้าวหาน้ำมารับประทานมาดื่มแต่วิธีทำอย่างนี้มันจะเกิดปัญหาตามมาได้เพราะอะไรเพราะบางทีงเกิดทุกขเวทนาทางร่างกายแล้วเราอยากจะ ทำให้มันหายไปบางทีเราทำให้มันหายไม่ได้เช่นเวลาเกิดเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นไข้ยอย่างเงี้ยบวยไปไข้ขึ้นอันนี้ก็เป็นทุกขเวทนาที่ไปปรากฏในใจแล้วใจไม่ต้องการทุกขเวทนาใจก็ต้องการที่จะทำให้ทุกขเวทนานี้หายไปแต่มันก็ไม่สามารถทำได้ทันทีทันใด เพราะอาการของความเจ็บท้ายได้ป่วยนี้บางทีมันต้องใช้เวลาถึงจะทำให้มันหายไปเองได้หรือว่าถ้ามียาก็อาจจะช่วยทำให้มันหายเร็วขึ้นแต่มันก็ไม่หายทันทีทันใดเวลาที่ทำให้ทุกขเวทนาที่ปรากฏขึ้นทางร่างกายนี้หายไปได้มันก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่เวลาที่เจอทุกขเวทนาแล้วทำให้มันหายไม่ได้อันนั้นหละมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์อีกชนิดหนึ่งขึ้นมาที่เราไม่เรียกว่าทุกขเวทนาเราเรียกว่าทุกในอริยสัจสี่ทุกขที่เกิดจากความอยากอยากให้ทุกขเวทนาที่ปรากฏในร่างกายนี้หายไปแต่ไม่สามารถทำให้มันหายได้ช่วงเวลาที่เรามี ความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายนี้เราจะสังเกต เ, เห็นว่าจิตใจของเรานี้จะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่จะมีความทุกข์ความทุกข์อันนี้เกิดจากความอยากของใจที่อยากจะทำให้ทุกขเวทนาทางร่างกายหายไปแต่ความทุกข์ทางทุกขเวทนามันไม่หายไปบางทีเราทำให้มันหายได้บางอย่างก็ทาให้มันหายได้เร็ว เช่นทุกข์เพราะหิวน้ำพอเราหาน้ำมาดื่มสักปั๊บเดียวความทุกข์ที่เกิดจากการหิวน้าก็หายไปได้หิวข้าวถ้าเราหาข้าวมากินความทุกข์มันก็หายได้แต่มันมีความทุกข์บางอย่างที่เราอาจจะไม่สามารถทำให้มันหายได้ทีเดียวพอเราไม่สามารถทำให้มันหายได้ทีเดียวสังขารไม่สามารถสั่งให้ร่างกายไป ทำให้ความทุกข์หายไปได้ความทุกข์ก็เลยความทุกข์ในใจก็เกิดขึ้นใหม่อีกชนิดหนึ่งเรียกว่าความทุกข์ของอริยสัจสี่อริยสัจสี่มีอะไรมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันนี้เป็นความทุกข์อีกชนิดหนึ่งไม่ใช่ความทุกข์ที่เกิดจากการสัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่าง แต่เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความอยากหรือไม่อยากเวลาที่ได้ได้ทุกขเวทนาก็อยากจะให้มันหายไปเวลาที่มันไม่หายไปมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอีกอรันนี้เรียกว่าทุกข์ในอริยสัจ ส, สีทุกข์อันนี้มันรุนแรงกว่าทุกข์ที่ได้จากทุกขเวทนาที่มาทางตาหูจมูมนกนิ้วไก่อันนี้แต่เราสามารถที่จะ ป้องกันไม่ให้ทุกข์อันนี้เกิดขึ้นได้ในใจเราถ้าเรารู้ว่าเวลาที่เราไปอยากในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะได้มันก็จะทําให้เราทุกข์เราก็ต้องสอนใจเราอย่าไปอยากเช่นเวลามันป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมันไม่หายมันมันเจ็บมันปวดของมันอยู่อย่างนั้นอย่าไปอยากให้มัน หายเพราะความอยากให้มันหานี่มันจะทำให้เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือทุกข์ที่เกิดจากความอยากให้เราพยายามสอนใจหักห้ามความอยากในใจเราให้หัดอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายว่ามันเป็นเรื่องปกติของร่างกายที่เมื่อได้ไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆ มันก็จะต้องเจอกับเวทนาชนิดต่างๆเพราะรูปเสียงกลิ่นรสผธพะที่ตาหูจมูกนิ้นกายไปสัมผัสนี้มันมีหลายชนิดด้วยกันมีชนิดที่ทำให้เกิดสุ ข, ขเวทนามีชนิดที่ทำให้เกิดทุกขเวทนามีชนิดที่ทำให้เกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาเพราะนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เขาเป็นอย่างนี้ พอเรามีตาหูจมูกทิ้นกายมาสัมผัสเราก็ต้องรับกับโคตรรูปเสียงกิ่นยลดโพธิภพชนิดต่างๆเหล่านี้แล้วถ้าเราไม่ฉลาดเราไปสัมผัสกับรูปเสียงกิ่นรลดโพธิภพแล้วไปเกิดความอยากขึ้นมาเ<ม>ช่นถ้าได้รูปเสียงกิ่นรลดโพธิภพที่เป็นสุ ข, ขเวทนา<ม><ม>ก็อยากจะให้มัน อยู่ไปนานๆพอเวลามันไม่อยู่ไปนานๆมันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาอีกอยากในสิ่งที่เป็นสุขแล้วไม่ได้ก็ทุกข์อยากในสิ่งที่เป็นทุกข์แล้วให้มันหายไปมันไม่หายมันก็เป็นทุกข์อีกอันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดจากความหลงของเราความหลงของเราที่เราไม่เข้าใจธรรมชาติของของของร่างกายของรูปเสียงกิเลสผลทพะ ของตาหูจมูกนิ้นกายของเวทนาว่ามันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นเหมือนเรื่องของฝนตกแดดออกลมพัดอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรที่จะไปอยากเพราะอยากแล้วมันจะทำให้เราต้องผิดหวังไม่ช้าก็เร็วแต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้ศึกษากันเราก็เลยมักจะ ปล่อยให้ความอยากมันปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเพราะพื้ น, นฐานเดิมของใจนี้มีความอย า, อยากอยู่แล้วก็อยากจะได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะกันแต่ไม่ได้ไม่มีปัญญาไม่ได้รู้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ไปอยากได้นั้นมันไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวมันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์และมีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์ พอไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดเถพภาเวลาไปเจอส่วนที่ไม่ไม่ไม่สุขไปเจอส่วนที่เป็นทุกข์มันก็ทำให้ใจดิ้นดิ้นหนีพอไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสผดพถรภาที่ทำให้เกิดความเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาใจก็ไม่อยากจะได้ใจก็อยากจะหนีหรืออยากจะกำจัดมันมก็อาจจะไปทำอย่างใดอย่างหนึ่งพยายาม บางทีก็อาจจะกำจัดมันได้แต่บางทีก็กำจัดมันไม่ได้ mm hmm. เวลาที่กำจัดมันไม่ได้เวลานั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ในอริยสัจสี่เกิดขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง mm hmm. อันนี้ทุกข์ในอริยสัจสีน่นี้เราสามารถที่จะป้องกันได้หรือทำให้มันไม่เกิดได้ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของของสิ่งต่างๆที่ ที่เราไปสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี่ว่ามันเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้มันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนมันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเรา ม, มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปบางอย่างก็ตั้งอยู่นานบางอย่างก็ตั้งอยู่ไม่นานมามามาแล้วปั๊บแล้วก็หายไปก็มี มาแล้วก็อยู่นานหน่อยก็มีถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ทรมานไปกับสิ่งเหล่านี้เราต้องรู้จักหยุดความอยากห้ามความอยากของเราเพราะความอยากของเรานี้เป็นเป็นตัวที่ไปสร้างความทุกข์ทรมานให้กับใจของเราอีกทีนนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจว่าชีวิตของเรานี้ที่ส่วนประกอบที่เรามีอยู่นี่ คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราเรียกว่าขันห้านี่มันเป็นส่วนปรากฏการ์ทางธรรมชาติเป็นส่วนที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามกับตามความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ตาหูจมูกนิ้วกายไปสัมผัสรับรูบ้คือรูปเสียงกลิ่นรสผลสัพพะที่เราสัมผัสกันในแต่ละวันนี้มันมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆ บางวันก็ดีบ้างบางวันก็ไม่ดีบ้างบางวันก็ให้ความสุขบางวันก็ให้ความทุกข์บางวันก็ให้ความไม่สุขไม่ทุกข์มันเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศบางวันก็ร้อนบางวันก็เย็นบางวันก็ฝนตกบางวันก็แดดออกแล้วเรามักจะไม่ค่อยไปทุกข์กับเรื่องของดินฟ้าอากาศกันเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ามันเป็น ปรากฏการทางธรรมชาติเรารับมันได้ฝนจะตกเราก็รับมันแดดจะออกร้อนยังไงเราก็ต้องรับมันเพราะเรารู้ว่าเราทำอะไรมันไม่ได้เราถึงไม่ค่อยทุกข์กับมันเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้ว่าถ้าไปไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เป็นไม่ได้เวลาฝนตกอยากจะให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดเวลาฝนแรงอยากจะให้ฝนมันตกมันก็ไม่ตก เรารู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้เราก็ต้องมาพิจารณาขันห้าของเราคือเวทนาตัวเวทนาเนี่ยตัวสาคัญว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเพราะเวทนามันก็เกิดจากการที่ วิญญาณไปรับรูปเสียงกดลิ่นรสผดทพักพที่เข้ามาสัมผัสกับร่างกายตาหูจมูกนิ้นกายมันก็ไปรับรูปเสียงกดลิ่นรสที่เป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติคือไม่มีใครไปควบคุมรูปเสียงกดลิ่นรสที่เราสัมผัสได้เนี่ยรูปที่เราเห็นตอนนี้เราไปสั่งมันให้ไปให้มันหายไปหมดไม่ได้เนี่ยเรานั่งตรงนี้เห็นคนเยอะแยะไปหมดแต่เราไม่ชอบคนนี้ เราจะไปสั่งว่าให้หายไปหมดมันก็หายไม่ได้หรือบางทีเราไปอยู่ที่เปลี่ยวอยู่คนเดียวไม่มีคนเราก็อาจจะเกิดความเหงาอยากจะให้มีคนมาเป็นเพื่อนเราก็สั่งให้เขามาไม่ได้รูปที่เราเห็นเสียงที่เราได้ยินนี้มันก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแลบการปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของรูปเสียงกิ่นรถผลพระเหล่านี้ มันก็มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมทุกวันทุกเวลามีการเปลี่ยนแปลงท่านเรียกว่าอนิจจังรูปเสียงกฤฤฤฤฤฤิ่นรสผลทพะที่เรามาสัมผัสรับรู้ด้วยตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายนี้มันเป็นของที่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเมื่อมันมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ทาให้เวทนา คือสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันเราก็รู้สึกมีความสุขกันบางวันเราก็รู้สึกมีความทุกข์กันก็เพราะเหตุการณ์ที่มันมาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายของเรานี้มันเปลี่ยนไปวันส่วนใหญ่ว่าเวลาวันสิ้นเดือนนี้รู้สึกว่าจะมีสุ ข, ขเวทนากันเพราะวันนั้นมีปรากฏการณ์คือเงินเดือนออกกัน มันก็เลยทำให้เกิดสุขเวทนากันขึ้นมาวันใดที่เกิดมีมีบินมาวันนั้นก็เกิดทุกขเวทนากันมีใบเตือนมาแล้วว่าจะต้องจ่ายเงินค่าน้ำค่าไฟถ้าไม่มีจ่ายเดี๋ยวเ็าจะตัดน้ำตัดไฟอันนี้ก็เกิดทุกขเวทนานขึ้นมานะอันนี้คือเรื่องของขันห้าที่มันทำงานอยู่ของมันโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติโดยมี ม, มีความหลงของเร e านี้มาคิดว่าเราจะสามารถควบคุมบังคับมันได้ซึ่งมันก็ควบคุมบังคับได้ในระดับหนึ่งเราสามารถที่จะควบคุมบังคับได้ในบางสิ่งบางอย่าง right. ใ, ในบางเรื่องแต่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับในทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องได้เวลาที่เราอยากจะไปควบคุมบังคับในสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เวลานั้นมันก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ซึ่งความทุกข์ทรมานใจนี้เราสามารถป้องกันได้สามารถระงับได้ถ้าเราได้มาศึกษาพราะธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าความทุกข์ทรมานใจของพวกเหล่านี้เกิดจากความอยากของพวกเราเองอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดนั้นชะนิดนี้ไม่ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดนั้นชนิดนี้ถ้าเราไป คิดอย่างนี้ไปอยากอย่างนี้เราก็จะมาสร้างความทุกข์ทรมานใจให้กับเราเพราะบางทีเราอยากแล้วมันไม่ได้ <Yeah. S 1> พอมไม่ได้มันก็เกิดความทุกข์ใจเช่นเราเราลักใคร <Yeah. S 1> เแล้วเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่วันดีคืนดีเขาอาจจะตายจากเราไปก็ได้ <Yeah. S 1> แล้วเวลาเขาตายจากเราไปเราก็เสียใจ <Yeah. S 1> เพราะเรามีความอยาก อยากให้เขาอยู่กับเราเราไม่อยากให้เขาจากเราไปแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ไม่แน่นอนจะอยู่จะอยู่นานหรือไม่นานก็ไม่มีใครรู้จะเป็นจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ไม่มีใครห้ามได้ถ้าเรารู้ความจริงแล้วเราสอนใจเราว่าเราต้องยอมรับความจริง<ม>เวลาเกิด การสูญเสียเกิดการพัดพาจากของที่เรารักจากของบุคคลที่เรารักนี่เราอยากไปอยากให้เขาไม่ไปเราต้องยอมรับว่าเขาไปแล้วเราห้ามเขาไม่ได้เหมือนกับฝนตกเราไม่อยากให้ฝนตกไม่ได้เวลาฝนมันตกมันก็ตกแล้วเราก็ต้องยอมรับกับการตกของฝนเวลาคนตายจากเราไปเราก็ต้องยอมรับการตายของเขาเพราะเราทำอะไรไม่ได้ ถ้าเราไม่ยอมรับเราก็เศร้าโศกเสียใจทั้นั้นทุกทรมานใจบางคนนี่ทุกไปหลายเดือนหลายปีเลยก็มีกับคนคนเดียวที่ตายจากไปเพราะความรักความไม่อยากให้เขาตายจากเอาไปเพราะว่าไม่ได้ศึกษาความเป็นจริงของธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้รูปเสียงกลิ่นรสผลิภาพมันเป็นของไม่เที่ยง มีมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีการมามีการไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามไปบังคับไปควบคุมเขาได้เขาจะมาเขาก็มาเขาจะไปเขาก็ไปถ้าเราไม่อยากจะไปทุกข์กับเขาเราก็อยากไปอยากอยากไปอยากให้เขาอยู่กับเราอยากไปอยากให้เขาไม่จากเราเป็นต้นอันนี้แหละคือเรื่องที่เราต้องมาทาความเข้าใจ กับชีวののิตของเราก็เป็นอย่างนี้ขันห้าของเรามันก็เป็นของที่มันก็ต้องมีการเกิดการแก่การเจ็บการตายเช่นรูปประขันนี่มันก็มันก็ถึงเวลามันมันธรรมชาติของมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันอราเป็นนัิจังรูปประขันคือร่างกายมันไม่เที่ยงเมื่อเกิดแล้วมันก็ต้องมีความแก่แล้วมันก็ต้องมีความเจ็บแล้วมันก็มีความตายตามมาเราที่เป็นใจที่มา มามาเชื่อมต่อกับร่างกายนี้มามีส่วนเกี่ยวข้องกันนี้ต้องรู้จักปล่อยวางร่างกายนี้ต้องรู้ว่าร่างกายนี้วันวันใดวันหนึ่งมันจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี้มันไม่มีวันตายใจเป็นธรรมชาติที่ไม่มีวันตายแต่ใจแต่ใจทุกข์เพราะว่าใจยังมีความอยากอยู่ ยังมีความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกายยังมีความอยากที่จะเสษรูปเสียงกลิ่นลดปวดทพะชนิดต่างๆยังอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากจะสัมผัสกับสิ่งที่มากระทบกับร่างกายก็ต้องมีร่างกายเมื่อมีร่างกายพอได้ร่างกายมาแล้วก็จะรักจะหวงเพราะว่าเป็นเครื่องมือของการหาความสุขนั่นเอง เหมือนกับเราเวลาได้เงินทองมาเราก็จะหวงเพราะเงินทองก็เป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราเวลาเราไม่มีเงินทองเราอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไปไม่ได้อยากจะซื้อข้าวซื้อของชนิดนั้นชนิดนี้ก็ซื้อไม่ได้พอซื้อไม่ได้เราก็จะไม่มีความสุขเราก็เลยรักหวงเงินทองถ้าเราได้เงินทองมาแล้วเราจะรักจะหวงแจะไม่อยากให้มันจากเราไป อยากอยากจะให้มันมามาอยู่เรื่อยๆมีอยู่เรื่อยๆแต่พอเวลาที่มันหายไปหมดไปเวลานั้นเราก็จะทุกข์ใจเพราะใจเราอยากให้มันมีเงินทองยังไม่ใช้สอยไปเรื่อยๆพอไม่มีมันก็ทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันหรืแก้ได้ความทุกข์ใจด้วยการพยายามหยุดความอยากอย่าไปอยากได้เงินได้ทองอย่าไปอยากได้ รูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราถ้าเราไม่มีความอยากได้เงินทองไม่อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสพลิภาพมาให้ความสุขกับเรา <S <S เราก็ไม่ต้องมีร่างกายก็ได้เมื่อเราไม่มีร่างกายเรากไ็ไม่ต้องมาทุกขกับร่างกาย <S <S เพราะว่าร่างกายนี้ถ้าเราได้มันมาแล้วมันก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไป เวลามันแก่มันเจ็บมันตายมันจากเราไปมันก็ทำให้เราเศร้าโศกเสียใจทุกทรมานใจนั้นปัญหาของเราก็คือเราไปอยากอยากในขันห้านี่พระเจ้าบอกอุปทานในขันหานี่เป็นตัวที่ทำให้ใจเราทุกข์กันอยากให้ร่างกายอยู่ไปนา น, านไม่มีวันสิ้นสุดอยากให้เวทนามีแต่สุ ข, ขเวทนาไม่มีทุก ข, ขเวทนา แต่ความเป็นจริงของร่างกายก็ดีของเวทนาก็ดีมันเป็นของที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่ได้เป็นอย่างเดียวถ้าเราเกิดมามีแต่สุ ข, ขเวทนาก็ดีสินะแต่เราก็สบายไม่ต้องมาทุกข์กันแต่ที่เราต้องมาทุกข์กันเพราะว่ามันนอกจากสุ ข, ขเวทนาแล้วมันมีทุก ข, ขเวทนา ต, ติดมาด้วย มันยังทำให้เราต้องเกิดต้องเจอกับปัญหาต่างๆขึ้นมาถ้าโลกนี้มีแต่สุขกิจธนาอย่างเดียวก็ดีเราก็จะมีแต่ความสุขกันทุกวันไม่ว่าจะทําอะไรจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระแบบไหนก็เป็นความสุขทั้งนะั้นสัมผัสกับคนคนที่เขาชมเราก็สุขสัมผัสกับคนที่เขาด่าเราก็สุขก็ดีเลยทาไมไม่ได้สุขอ่ะความจริงมันน่าจะสุขได้นะเพราะมันก็เป็นเสียงเหมือนกันไม่ใช่เหรอ เวลาคนด่าเราเขาก็ใช้เสียงด่าเราเวลาคนชมเราเขาก็ใช้เสียงชมเราเหมือนกันมันก็เป็นเสียงเหมือนกันแล้วเราทำไมเราไปถึงได้สุขเวทนากับทุกขเวทนาขึ้นมากเพราะใจเราไปแปลความหมายของคำพูดของเสียงนั้นเสียงนั้นเขาชมเราเขาว่าเราดีเสียงนั้นเขาด่าเราเขาว่าเราไม่ดีแต่ความจริงมันก็เป็นแค่เสียงเท่านั้นเอง อันนี้แหละคือปัญหาของใจที่มาเกี่ยวข้องกับขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ไปยึดไปติดกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็อยากจะให้มันอยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกอร่างกายเวทนาก็อยากจะให้มันมีแต่สุ ข, ขเวทนาไม่มีทุก ข, ขเวทนา พอมันก็พอมันไม่เป็นไปตามความอยากใจก็เลยเกิดความทุกข์ทรมานใจดังน mm ั hmm. ้นวิธีที่จะแก้ก็คือเราต้องหยุดความอยากนี้ให้ได้หยุดความอยากในขันห้านี้อย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย mm hmm. อย่าไปอยากให้เวทนามีแต่สุ ข, ขเวทนาเพียงอย่างเดียวเพราะมันเป็นไปไม่ได้ mm hmm. เราต้องยอมรับความเป็นจริงของขันห้า คือร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวทนามันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์เวทนาการที่เราจะรับความจริงของขันห่านนี้ได้เราต้องมาฝึกจิตทำจิตของเราให้เกิดความสงบขึ้นมาถ้าเราทำจิตให้เรามีความสงบแล้วจิตเราจะมีความเป็นกลางเป็นมีอุเบกขาจิตเราจะวางเฉยได้จะวางเฉยกับ กับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้เวลาเกิดสุขเวทนาก็เฉยได้เวลาเกิดทุกขเวทนาก็เฉยได้เวลาร่างกายแก่ก็เฉยได้เวลาร่างกายเจ็บก็เฉยได้เวลาร่างกายตายก็เฉยได้อันนี้คือสิ่งที่ใจเราขาดกันแล้วไม่มีใครรู้วิธีกนานจะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดจะรู้วิธีที่เราจะพ้นจากความทุกข จากชีวิตของเราได้คือการพ้นทุกจากการที่เร า, ามามีขันห้านี้สวิธีที่เราจะอยู่กับขันห้านี้ไปอย่างไม่มีความทุกข์ได้ก็คือต้องอยู่ได้ด้วยความความสงบต้องทำใจเราให้สงบให้ใจเรามีอุบเบกขาและให้ใจเรามีปัญญาให้ใจเรารู้ธรรมชาติของขันห้าที่เรากำลัง มีอยู่ในในตัวเรานี้ว่าขันห้าที่เรามีอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่เรามองเห็นหรือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์กที่เรามองไม่เห็นนี้มันเป็นธรรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้มันจะต้องเป็นไปตามวาระของมันร่างกายมันมีวาระมันมีเวลาที่จะต้อง แต่ที่จะต้องเจ็บที่จะต้องตายสุขเขเวทนาทุกขเวทนามันก็มีวาระของมันบางวาระมันก็เป็นสุขเขเวทนาบางวาระมันก็เป็นทุกขเวทนาแต่ถ้าเราสามารถสุขใจของเราให้เฉยเฉยให้อยู่เฉยเฉยได้ไม่ให้ไปเกิดความอยากในสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ใจของเราก็จะไม่ทุกขเราจะหยุดความอยากได้ถ้าใจเรามีอุเบกขา คือใจที่สงบนิ่งแล้วจะมีอยู่เบิกขาคือวางเฉยปล่อยวางได้แล้วก็มีปัญญาที่เข้าใจธรรมชาติว่าธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้คือขันห้าที่เรามีอยูกันนี้ที่เราอยู่กันมาตั้งแต่วันเกิดนี้คือขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารมิ ญ, ญาณที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆ อ, อยู่ตลอดเวลา เราไปห้ามมันไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้ไปสั่งให้มันผลิตแต่สุ ข, ขเวทนาอย่างเดียวไม่ได้ไปสั่งให้ร่างกายมันเป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดไม่ได้ทุกสิ่งทุกร่างกายมันก็ต้องเจริญเติบโ ต, โ ต, โตแล้วก็แก่เจ็บตายไปตามเวลาของมันเวทนามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปสลับกันมาถ้าเรามาฝึกจิตกันมาทางใจให้นิ่งได้มีอุเบกขาได้เราก็จะวางเฉยกับ การเปลี่ยนแปลงของขันห้านี้ได้ถ้าเราวางเฉยได้เปลี่ยนแปลงกับขันห้าได้เพราะเราไม่ไปสร้างความอยากขึ้นมาเราจะไม่มีความอยากกับขันห้าเมื่อไม่มีความอยากกับขันห้าความทุกข์ก็จะไม่เกิดความทุกข์กขมันเกิดจากความอยากอยากให้ขันห้ามีแต่มีแต่สุขพระเวทนาอยากจะให้รูปปันคือร่างกายนี้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย นี่แหละคือปัญหาของพวกเราความทุกข์ของพวกเรามันไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนไมันอยู่แค่ที่ตรงนี้อยู่ที่เราไม่เข้าใจขันห้าของเราแล้วก็พยายามที่จะไปควบคุมบังคับขันห้าให้มันเป็นไปตามความอยากของเราพอเราควบคุมบังคับมันไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นก็คือความทุกข์ทรมานใจความเศร้าโศกเสียใจความวิตกกังวลความหวาดกลัวอะไรต่างๆ สิ่งที่เราขาดตอนนี้ก็คือการปฏิบัติจิตภาวนาการมาฝึกจิตเพื่อให้จิตสงบนิ่งเป็นสมาธิให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาถ้าเราฝึกจิตได้มีการปฏิบัติทําจิตให้เราสงบให้วางเฉยได้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขันห้ามมันก็จะไม่เกิดขึ้นมา รูปเวทนาสัญญาสังขารมันจะเปลี่ยนไปอย่างไรจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีหรือเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไม่ดีเราก็ปล่อยมันเปลี่ยนไปเพราะเราห้ามมันไม่ได้มันเหมือนกับดินฟ้าอากาศเรารู้ว่าดินฟ้าอากาศเราห้ามมันไม่ได้ฉันใดเราควรจะรู้ว่าขันห้ามันก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศฉันนั้นอย่าไปอย่าไปควบคุมบังคับมันถ้าเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ ช่วงนี้เรายังอาจจะพอควบคุมมันได้ร่างกายตอนนี้เรายังพอจะดูแลมันได้ก็ต้องดูแลมันไปแต่บางบางอยา่างบางเรื่องก็ดูแลไม่ได้เช่นความแก่มันก็แก่ของมันไปเรื่อยๆวันทุกวันวันนี้แก่ขึ้นอีกวันหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แก่เพิ่มขึ้นไปอีกวันอันนี้เราหยุดหยุดมันไม่ได้การเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีเราก็รักษาได้เราก็รักษาไปรักษาไม่ได้เราก็ต้องยอมรับมันไปถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ อนี้แหละคือเรื่องของชีวิตของพวกเราที่ประกอบขึ้นมาด้วยร่างกายและใจที่เราเรียกว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอนิจจังเป็นอนาัตตาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากอยากมันอย่าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้มันเป็นเป็นแต่สุขเขาเวทนาอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย เมื่อเราไม่มีความอยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับชีวิตของเราอีกต่อไปชีวิตของเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขโดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีข้าวของเงินทองไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขกับเราเพราะใจที่ไม่มีความทุกข์นี่แหละเป็นใจที่มีเป็นเป็นใจที่สุขอย่างยิ่งความพอใจไม่มีความทุกข์ความสุขในใจก็ปรากฏขึ้นมาเองความสุขความทุกข์ในใจนี้มันเป็นเหมือน เหมือนความเมือเมือความสว่างกับความมืดมันอยู่พร้อมกันไม่ได้ถ้ามันสว่างมันก็ไม่มืดถ้ามันไม่ถ้ามันไม่มืดมันก็ไม่ถ้ามันไม่มืดมันก็สว่างฉะนันใดถ้ามันทุกข์มันก็จะไม่มีสุขถ้ามันถ้ามันทุกข์หายไปสุขมันก็ปรากฏขึ้นมาอย่าถ้าเราสามารถกำจัดความทุกข์ในฐานห้าได้ด้วยการลากความอยากในฐานห้าได้ใจเราก็จะไม่มีความทุกข์ ใจเราก็มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเมื่อใจเรามีความสุขเราก็ไม่ต้องไปหาอะไรมาให้ความสุขกับใจเราอยู่ที่ไหนเวลาใดแห่งใดก็มีความสุขได้ตลอดเวลานี่แหละคือเรื่องของชีวิตเราที่เราควรจะศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติกรบมันให้ถูกต้องถ้าเราปฏิบัติกับมันได้ถูกต้องแล้วเราจะไม่มีความทุกข์เราจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว นี่คือเรื่องราวของชีวิตที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอรอยะถ า, าวาเิวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกัปติ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 สัพพโรโขวินัสสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีติคาโยโกภวะอภิวาธนสีลิศะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโหทัมวาทันเตอายุวันโอสุขังภาลั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 Facebook พระอาจารย์สุชาติสามร o อย u ี่สิบเจ็ดพระสุชาติไลฟ์สามร้อยห้ายูทูบด็อกเตอร์วจ็ดสิบเอดวิทยุออนไลน์สิบสาม h o u s e ฮแปดผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยห้าสิบคนรวมทั้งหมดแปดร้อยเจ็ดสิบสี่ครับ <Okay. S 1> ครับคำถามจากทาง Facebook คุณทิติมาในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ ผมสะดุงะด้งตื่นตอนตีสามตีสี่ตลอดเลยครับควรตื่นมานั่งสมาธิเลยไหมครับหรือควรนอนต่อจนถึงเช้าแล้วลุกนั่งสมาธิครับก็ตามใจถ้าถ้าคุณนอนไม่หลับก็นั่งสมาธิก็น่าจะดีกว่านอนพยายามที่จะฝืนถ้านอนกลับไปนอนหลับได้ก็นอนไปถ้านอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิต่อคำถามจากคุณพานัส ผมเพิ่งหัดนั่งสมาธิอยากถามว่าเวลานั่งเราควรนั่งแบบไหนครับระหว่างนั่งบนพื้นเพื่อฝึกความอดทนหรือนั่งบนเบาะเพื่อที่จะนั่งได้เป็นเวลานานๆครับ <c oughs> การนั่งนี้เราไม่ต้องการความสบายทางร่างกายเราต้องการความสงบทางใจถ้าเราไปให้ความสบายทางร่างกายเวลาที่เราไป อยู่ในช่วงที่ร่างกายไม่สบายเราจะทำไม่ได้เพรนั้นควรจะนั่งในท่าที่มันไม่ต้องมันมันไม่สบายคือมันก็ไม่ถึงกับทรมานตหมายถึงนั่งกับพื้นแต่เราฝึกมันไว้ก่อนแล้วเวลาเราทำใจใจเราสงบเราก็จะไม่เดือดร้อนกับความไม่สบายทางร่างกายคำถามจากคุณนาวิน ขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายคาว่าจิตมีนิพพานเป็นอารมณ์ของพระอริยเจ้าตามลาดับต่างๆได้ไหมครับคือคาว่านิพพานนี้ก็เป็นความสงบของใจความสงบที่เกิดจากการกำจัดความโลภความโกรธความหลงของใจซึ่งก็จะมีระดับของพาาาระอรหันตานั้นที่จะสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้อย่าง ได้อย่างเทาได้อย่างหมดสิ้นครบครบทนุนแต่ถ้าระดับพระโสดาพระสกิดาคาพระนาคานี้ท่านยังกาจัดกิเลสไม่หมดท่านก็ได้ละความสงบไม่ไ ม, ไม่ไม่เต็มร้อยแต่พระอาหารหันต์นี้ท่านกาจัดค ว, ความโลภความโกรธความหลงได้เต็มร้อยไม่มีไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจแล้ว ใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาใจสงบนิ่งมีความสุขตลอดเวลาปรมังสุขขังก็คือนิพพานคำถามจากผู้ฝากถามนะครับสังเกตอาการตัวเองว่าความยึดในอารมณ์ความอยากต่างๆลดน้อยถอยลงไปอย่างนี้ถือว่าพอใช้ได้ไหมครับในการปฏิบัติขัดเกล่าครับก็เป้าหมายก็คือต้องการกาจัดให้มันหมดสิ้นอนะ เหมือนเราติดเชื้อโรคเงี้ยเรากินยาตอนที่เราเริ่มกินยาก็รู้สึกอาการดีขึ้นเราจะหยุดกินยาหรือเปล่าเราก็ยังไม่หยุดถ้าเรายังรู้ว่ายังมีเชื้อโรคอยู่ยังมีโรคอยู่เราก็ต้องกินไปเรื่อยๆจนกว่าเชื้อโรคมันจะหมดะเป้าหมายของเราก็คือเราต้องการกําจัดความอยากต่างๆให้มันหมดสิ้นไปเพราะฉะนั้น เมื่อเห็นมันลดน้อยลงแล้วเราก็ควรที่จะรีบทำให้มากขึ้นกำจัดให้มันหมดซึ่งไปคำถามจากคุณโปอยเซียนบางครั้งจิตที่มีการคิดอกุศลแต่ก็จะมีอีกใจมาค้านตัวเองว่าทำไมถึงคิดแบบนี้สิ่งที่คิดไม่ได้กระทำออกมาเพราะทราบว่าไม่ดีครับแบบนี้เกิดเป็นบาปขึ้นแล้วหรือยังครับ ยังหรอกถ้าไม่มีการากระทำทางกายทางวาจาอนี้บาปยังไม่เกิดเพียง mm hmm. แต่เป็นอกุศลอกุศลก็คือทำให้ใจไม่สบาย mm hmm. แต่ยังไม่ถึงกับทำให้ใจทุกข์ที่เกิดจากการไปพูดไปกระทำต่อเหตนั mm ้น hmm. ถ้าเราเริ่มคิดไปในทางที่ไม่ดีเราก็ควรจะหยุดคิดดึงมันมาคิดในทางที่ดี mm hmm. เช่นดึงมาให้คิดกับคำว่าพุโทโธพุโทโธแทนก็ได้ mm hmm. ถ้าเราดึงมาพุโทโธพุโทโธไป ความคิดไม่ดีมันก็จะหายไปแล้วความรู้สึกไม่ดีก็จะหายไปหมดแล้วเลวมีใครอยากจะถามอะไรไหมโอเคนะถ้าไม่มีก็จะปล่อยให้กลับบ้านแล้วนะโอเคก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตรพิจารณาไปปฏิบัติ